ก็ความเจริญในธรรมชมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โ่งปปุตติญาในวันนี้จะนำเสนอเรื่องภาวนาประทานในประเด็นของเล ข, ขะบารมีก็พูดง่ายๆว่าเป็นการเจริญกุศลส่วนเหตุนั่นเองแล้วฟังลองสังเกตดูจะพบว่า กุศลนละทำส่วนเหตุที่จริงสรุปแล้วก็ไปอยู่ที่อรอยิยามรรคในองค์แปดประการหรือว่าใจสิขาได้แก่สีสมาธิปัญญา น, นั่นเองเพียงแต่ว่าเป็นการเน้นย้าในจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันก็แผ่ไปถึงจุดเราอื่นด้วยอย่างสีเนี่ยมันก็แผ่ไปสู่ฐาน แผ่ไปสู่เนขมะแผ่ไปสู่ปัญญาสู่สัจจะสู่วิษถานสู่เมตตาสู่เบขาบก็ไปได้หมดอเพราะว่าเป็นกระบวนการของธรรมะหรือกระบวนของกุศลธรรมออคําว่าเนคขมะเนี่ยมันเป็นคำคำเดียวกับคําำบวชหรือคําำบัญปิชาคำบรญปิชิต เกี่เนื้อหาสาระแล้วก็คือการดึงกายดึงจิตของตนออกไปจากอํานาจของกิเลสส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นไปในเรื่องเพศเนี่ยเป็นเบื้องต้นแต่เวลาละเอียดเวลาพูดเรื่องพุทธมจ ร, รย์ก็จะทรงแสดงไว้ยกะที่ทัานสรุปบวกไว้ก็เป็นสิบระดับด้วยกันต่อไปเรื่องความเข้มข้น พระเนคมะท่านจึงนิยามไว้ว่ามีอันออกจากกามและจากมีโชคเป็นลักษณะมาลักษณะของของของเนคมะก็คือการดึงกายดึงจิตออกจากกามแล้วก็ตัวการใหญ่จริ ง, รงๆเนี่ยมันเน้นไปการออกทางกายก่อนก็ได้การออกบวชเป็นนักบวชทั้งหลายในโลก โดยเนือาสาราเราจะเห็นว่านักบวชในทาง A C เ, าเอเชียเราส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีคู่ครองเพราะเน้นไปการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันผู้ฤอษีชีพไพรในสมัยพุทธกาลในก่อนพุทธกาลก็มีเป็นนั้นมากนะฮะที่มีบุตรมีครอบครัวและ บ, บางทีก็มีลูกเต้า ในปัจจุบันเราก็มีลักษณะอย่างนั้นที่ว่าปฏิญาณสถานะเป็นนักบวชแต่เป็นนักบวชในความหมายของเขาคล้ายๆกับโปรตัดตันหรือแม้แต่ว่าอิสลามเนี่ยอิสลามที่จริงก็ไม่มีนักบวชนะฮะก็ไม่ได้เน้นไปที่การโบเร่นจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ถระเรามองเนื้อหาสาระในการประพฤติประมาจันของพระพุทธเจ้าที่ทรงสแสดงไว้ในพระมจรยาสูตรแล้วจะชัดเจนฮะ บอกว่าการกระเพื่อมาจารย์เนี่ยเพื่ อ, อสี่ประการนะฮะคือสังวียนวะเพื่อความสมบูรณแล้วก็ปานะก็คือเพื่อละแล้วก็เวลาคะก็คือเพื่อปราศจากหรือคลายความกับหนักในทางเพศแล้วก็นิพานญญายะก็เพื่อนิพานมันก็มีคำเหีือแค่สี่คำได้แต่เด็ เราเห็นว่ามันเป็นส่วนของเหตุคือปานะก็ดีนะฮะแล้วก็สังวรสํมรณ์ก็ดีเนี่ยก็เป็นศีลนะสัมบูรก็เป็นศีลปานะมากกว่วเนี้ในสมาวายามะเทวานี่แล้วก็วิราคะก็เป็นผลปรากฏขึ้นภายในจิตตรงนี้ก็อยู่ในกลุ่มของนิโรธเช่นเดียวกันในทานเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองดูให้ดีแต่ที่จริงก็คือ เป็นอริมักิกับเป็นนิโรธเกิดไเนิ่งไปที่ศีลสิกขาการจิตสิกขาแต่ว่าโดยผลการมีิบัติตามหลักของศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาก็เกิดโดยธรรมดาเป็นกระบวนการของธรรมะแต่งนวนี้ธรรมะบารมีเป็นแนวที่บวชถ้าเราลองสังเกต ด, ดูเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ คือไม่ใช่เป็นภิกษุแต่ว่าเป็นผู้ฤาษีเป็นดาบทเป็นนักพรกทีน่นอย่างมากก็จะไปรักษาแค่แปดขอ้อตอนศีลแปดกับศีลห้าเนี่ยเขามีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็ไม่รู้นะฮะพิจารงบัญญัติในรูปปฏิรูปไม่ใช่บัญญัติสร้างขึ้นใหม่เลยเพราะจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในชาดกทั้งหลายนี่บ่งบอกให้เห็นว่า การรักษาสินห้ากับสินแปดไดมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วต้นการรักษาสีลที่เน้นไปการออกจากการจริงๆพอท่านบัญญตัติทัานก็บัญญัติแบบไ่บันไดขึ้นไปไม่ใช่ว่านิ่งๆไปถึงก็สํารอกการราคะออกไปจากจิตได้เลยเนี่ยมันเกรินไปได้ยากเพราะในช่านได้ก็ทํำยังไงอย่าไป และเมิดทจิตที่ในคู่ครองของบุคคลอื่นอย่างที่เคยอธิบายไว้ในศีลข้รรอกเหืดนันมีความหม้เรื่องไมอยู่ในเรื่องตรงนั้นถ้าอยู่ขนาดนั้นก็เรียกระดับศีลธรรมจำยาเป็นการยุติเวรภัยอันตรายเป็นเบรนเวรนวิรัตคเอ็นบเวรจัดเวรนทั้งห้าประการคงลงไปได้แล้วไปถึงจุดหนึ่งก็ก้าวไปใ เดี๋รื่อประพฤติภพในการเขาเรียกว่ออาภอาภรรมอภรรมอจรรยานะฮะประพฤติดุพรมคือพรมเนท่านบอกว่าพรมในไม่มีเพศผู้ผู้หญิงนะเป็นผลดึงคือเราจะถือว่า อ, อะไรละ่ะลุงเล่นทางเพศกดขี่ทางเพศหลายๆอย่างนี้สํานวนเวเนี่ยร์วุวามากนะแั่งแต่เรื่นคุณจัดสุ ม, มานออกมาต่างตัวเป็นสามเณรีนี่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์นเน็ตก็ออกมาเยอะเลย คนละประเด็นนะเป็นกระบวนการของกรรมกระบวนการของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เนี่ยเพียงแค่ระดับเทวดาระดับสวรรค์เท่านั้นเองแต่ตะโลขึ้นไปถึงโภมาโลกตั้งแต่ชั้นแรกไปเนี่ยโภมาโลกยี่สิบชั้นเนี่ยไม่มีผู้หญิงเนียนั่นเป็นกฎของกรรกรสังสารวัฏ มันไม่ใช่ผู้ชายไปดูถูกผู้หญิงหรืออะไรผู้หญิงก็กลายเป็นพรหมกลายเป็นผู้ชายไปนะผู้หญิงที่บรรลุชาเนี่ยตายปั๊บก็เกิดเป็นพรหมก็เป็นผู้ชายมันก็สแสดงไม่เห็นในกระบวนการของกรรมอะไรอยู่นะแต่ว่าเป็นกฎธรรมชาติคืออย่าไปด่าคนนั้นคนนี้เขามันในสัญญวนของพลังเนี้บางทีก็เอามาใช้ก็อย่างนั้นแหละ วฝรังเองมันถ้าพูดถึงกดขี่ต่างประเทศมันก็เลวร้ายกว่าเอเซียต่างเยอะแต่ว่าเราก็ไปตรงไหลได้ปริ่มก็บรรทัศน์หารของฝรั่งคือไม่นึกถึงแต่นี้มันกฎธรรมชาติมันกดธรรมชาติธรรมดาตอนการบวชเราจะเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตของผู้เขาเรียกอนาคาริกคือไม่มีเรือนไม่มีเรือนนั่นองก็คือไม่มีครอบครัว สองก็คือไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะรเราจะเร่ร่อนไปพิการการไปนะฮะบางพวกก็มีอาสมประจำที่ใดที่หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทของนักบวดเหล่านั้นเป็นมหาสาราไปอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติมีนี่แหละก็ในศีลทั้งหลายนี่แหละซึ่งอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มันก็อยู่ระดับศีลศีลอุโบสถ สินแปดสินแปดนะครับางทีการรักษาสินห้าบทีก็เรื่อสินห้าเนี่ยน้อยก็มีนะครับประยัดพระภูริศีเจ็ดแปดประเทเนี่ยปรากฏว่าบางประเทศเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีเจ้า แ, แสดงน่าการรักษาเพียงระดับสินห้ากันนั่นเองแล้วก็ไปเน้นไปเล่นกินนั่งกินนีนกน่กินไอ้ส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ย กินแตกต่างกันแล้วก็ไปวัดไหวเคร่งหรือไม่เคร่งกันเดียที่ตรงนั้นก็ดูแล้วว่ามันก็เป็นเรนื่องเวลาอะไรทอะไรตอนเนื้อหาสาระของการออกบวชยกตัวอย่างเช่นการออกบวชของพระฤวษีสนดรเนี่ยเราเห็นว่าแม้จะมีความจําใจคือไม่ค่อยจะจงใจเท่าไหร่ก็ตามด้วยความจําใจอยู่บ้างแต่ว่ามันก็กลายเป็นโอกาสอาจจาใจแล้วก็พอใจแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นพระชาติที่ต้องสร้างฐานบารมี ในการไปอยู่ในป่าเป็นฤษีนี่มันจะบริจาคฐานได้ยังไงเพราะในเพศะนี่คือสถานที่นี่ไม่เอื้อต่อการสร้างบารมีที่ให้เต็มบริบูรณ์ได้เนี่ยวั เ, เมื่อท่านทำตรงนั้นบริบูรณ์ก็ต้องออกมาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นในส่วนอื่นก็การรักษาศีลถ้าเราดูแลเนี่ยคล้ายๆจะรักษาศีลแปดนะ เพราะว่าแยกอสมกันอยู่กับพระนางมัทรีกันหาชาลีแล้วก็กลางค่ำกลางคืนก็ไม่ให้มาแต่ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเหมือนกันเพราะว่าตอนสลบเนี่ยท่านก็จะ ก, การแก้ไขกันเองแสดงว่าแต่ว่าศีลศีลชาวบ้านเนี่ยนะฮะศีลชาวบ้านเนี่ยจะต้องร่างกายกันได้นะฮะ เข า, าเรียกว่าอาคารระยะวินัยวินัยของผู้ครองเรือนไม่ใช่วินัยแต่เดียวกับพระแต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นดับบทแต่ท่านก็ไม่ใช่พระนะฮะท่านก็เป็นดับบทมันก็ไม่ค่ยชัดเจนแต่ดูแล้วเนี่ยก็สํารวมลึกลงไปจนถึงกรอบของศีลแปดมัมีคําพูดบางอย่างบางตอนที่แสดงว่าเจ้าศาสี์ได้ลึกซึ้งมาก ทีนี้ลักษณะเหล่าเนี้ยท่านบอกว่ามีการประกาศโทษการมนั้นเป็นกิจคือแสดงให้เห็นว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางเพศไม่สัมพันธ์กันในเรื่องการยกตัวอย่างยี่นายกองพลาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าอาการเนี่ยมาดูแลเหมือนกำลังเกียจนะเวลาเนี่ยคืออามาเคยไปเจอที่สหรัฐอเมริกาโยมก็ตอบว่าโอโอไอ้นี่มัน มันโลกนี่มันคนละคนละสภาพแปดล้อมกันเนี่ยคิดไม่ตรงกันนะคือแกอาสาจะขับรถนําอาตมาในเที่ยวอามาก็ไม่ไปนะฮะแต่เราก็หาวิธีพูดว่ไม่อยากแกรบกวนโยมหรอกก็ไม่ต้องการจะไปเที่ยวไหนะคงอยู่ที่วัดได้อะไรเนี่ยนะพูดแกกูวแวกขึ้นมาทีเดียวไลยเมอนี้ท่านดิฉันดังเกียรดิฉันดิฉันไม่ได้เป็นคิดเล่อนนะเลยป้ายกันใหญ่เลย แลยก็ต้องอธิบายวินัยให้แกฟังบราไม่ใช่เรื่องรังเกียจนะเขารังเกียจบาปไม่ใช่รังเกียจคนแต่ว่าการกร ะ, กะทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากําหนดห้ามไว้ในระวินัยเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนันม้นไม่ใช่ไปรังเกียจอะไรใครเรกเราจะเห็นว่าแนววินัยทั้งของภิกษุณีทั้งของนักบวชหญิงนักบวชชายอนะเป็นการป้องกันความเกี่ยวข้องทางเพศไว้สูงมาก พิกษุณีเนี่ยนะผู้ชายนัดหมายไปสู่ที่นัดหมายกับผู้ชายแล้วผู้ชายจับมือนี่ยินดีแต่นั้นเองจับปราชิกเลยเนะเขาพิษณุณีก็ปรับแค่สังกาทิเสคือต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้แต่พิกษุณีนีิสึกเลยนั่นเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะเคลิ้มโมดในเรื่องนี้เอาจริงเอาจัง ในสามารถที่จะควบคุมความรู้สึกความต้องการในทางเพศในระดับต่างๆจนถึงแสดงให้ปรากฏว่าเห็นโทษของกรามได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกระธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงแสด ง, สด ง, สดงในกลุ่มภิกษุนะฮะคือญาติโยมไม่นั่งฟังอยู่ดเว ย, เยแสดงโทษของกรามไว้แรงมาก เป็นเหมือนกับฝีเป็นเหมือนกับความฝันเป็นเหมือนกับเขียนหั่นเนื้อเป็นเหมือนกับคบเพลิงเป็นเหมือนกับหลุมผ่านเพลิงอะไรประมนี้ต่างๆเหมือนกับศาสตร์วุธเหมือนกับสีส่องสารพิษอะไรเนี่ยทุกตัวอย่างเนี่ยแสดงถึงโทษไวรุนแรงถ้าสมโนผู้จะบวชก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้เราอย่าลืมนะว่า ศีนาเองมันก็เป็นพรหมจรรย์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการมารสองวรดเธอผู้หญิงเรียกว่าสถาอะไอปิวัตนะฮะคือซื่อสัตย์ตัวสามีก็เองผู้ชายเรียกว่าสถาและสันโดดคือยินดีเฉพาะในปัญญาของตนเองเป็นพรหมจรรย์นนะฮะเป็นการปรพฤตประเสริฐและสรุปรวมก็เป็นการมาสองวอดเมตุนวิรัตเองตัวในตุนวิรัตเองมีเงิเ้นจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์ แรองลงมาประมาณความอยู่ระดับศีลห้าแต่ไม่นอกใจกันสามีก็ซื้อตรงปรัญญาตนเองปัญญาเขาซื้อตงตัวสามีของตัวเองขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นความจย์เพราะเราจะเห็นว่าลักษณะของเนคข ม, ม่าเนี่ยคือ ท, ทำยงงอย่างไงเราอยะถึงกับงัวเงิบมุ่นจนไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยใครมันก็อยู่ในกรอบของเนคข ม, ม่าได้แล้ว อย่างน้อยก็ควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์ไปได้มันอยู่ในกรอบนะฮะเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ถึงจุดหนึ่งในท่านบอกว่ามีอันหลังหันหลังจากโทษนั้นคือการเข้าไปเกี่ยวข้องากับการในเรียกว่าสลัดหลุดไปเลยถือไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปถามว่าทำอะไรก็บอกว่ามันมีการที่ใจสลดเนี่ย คือเหตุโทษองการามแล้วก็สลดรู้ที่คนเนี่ยว่าการเป็นเหตุการณ์เป็นข้อมูลการเป็นตัวสร้างให้บางเกิดขึ้นเมื่อลองดูนะสงครามรามเกียรติเนี่ยคนตายกันทัศไท่เสียหายธรรมชาติอะไรแต่อะไรถูกทาลายอะไ ร, ไรพระผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกั น, น่นั้นเอง เรามองขุนช้างขุนแผนก็เรื่องผู้ชายสองคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันจะมองเรื่องของพระไคยมณีก็เรื่องผู้หญิงสองคน แ, งแย่งแย่งแย่งผู้ชายคนเดียวกันแลว้ววารณคดีของเรานั้นจะเรื่องเพศมากที่สุดเลยอะไรก็ทำยุ่งในเรื่องเพศแล้วก็ดึงคนหนึ่งเข้ามาเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้เพรา ะ, ะนนคนที่ก็มองเขาดูเหตุดูผล นั่นก็จะเกิดความสลดใจคิดโทษกงการไม่ต้องคิดต้องดูต้องนึกเหนียวนึกยเรื่อยๆนะพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมองเห็นโทษเพราะบางทีทัานอุปมาให้เห็นในค่อนข้างชัดนะเช่นบางทีปัญญาฆ่าสามีสามีฆ้าปัญญาก็เหมือนกษัตริราหรือเหมือนกษีสาอสรยพิษการครองเรียนไม่ดีมีปัญหา มันเหมือนคนจับอสราพิษที่จับไม่ดีตายนะแต่วไอโครงสร้างของคิดเหล่านี้ที่โบราณเขาพูดไว้ช้างสารภูเขาค่าเก่าเมียรักเนี่ยเห็นไหมมันกล้ชิดกังนั้นเราก็เรื่องกับกรารมันนั้นเลเด็งปัญหาใหญ่มากดังนั้นถ้าคนมองเห็นโทษแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างนั่นแะ ในการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยมันมาสบวงที่เนี่ยขม่านี่นะคือหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยคือต้องการที่จะออกไปจากกาศไปโดยลําดับแต่ว่าอาการที่แสดงเนี่ยอาการในขม่าที่เห็นชัดเนี่ยมันไม่จะอยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่รูปของศีลคือมายควา ม, มาว่าการสรวมระวังในศีล น, นี่เป็นอาการของในขม่าเพราะว่าคุณลักษณะของนัก บ, บวช ก็คือสงบบาปก็คือเว้นบาปเว้นบาปขนาดไหนแล้วเว้นบาปจนสงบบาปสงบบาปขนาดไหนมันขนาดต้มีตัวกระตุ้นนะ่ะมีตัวกระตุ้นแล้วไม่ยอมทําบาสมีตัวยั่วยวนแล้วก็ไม่ยอมทําบาปแน่นอนมันก็ยากนะฮะเพราะนั้นเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมเราจะเห็นว่าในวินัยของพระเนี่ยห้าม นั่งในที่รับตารับหูก็ผู้หญิงสองต่อสองแล้วก็ซ้อนเอาไว้ด้วยนะฮะสนทนากันเกิดหกคำไม่ได้อันนี้ก็คือวินัยที่ต้องการจะตัดกระแสคือบางทีเนี่ยก็ทรงสอนมันกิเลสบางประเภทเนี่ยเช่นตัญหาเนี่ยเราอาศัยกอไปนิพพานได้นะฮะมันลักษณะมันก็แพรอาศัยข้ามภาคได้แต่เมื่อจะขึ้นภาคก็ไม่ต้องเอาแพรไปนะ ก็ทิ้งแพลเอาไว้แล้วตัวเองก็ขึ้นฝากได้เป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติที่ให้สงบอย่ากราคะไม่ให้ผลานใจเกินไปอย่างน้อยเนี่ยไม่ผลานใจเกินไปนะมันอยู่ในกรอบของไมฆคำะคือไม่ถึงออกเป็นทุจริตทางกายกับทางวาจาพูปงา่ายงั้นนะคือไม่ออกไม่ทุจริตทางกายทางวาจาก็ถูก ว, ว่าอยู่ในกรอบของภูมาจาิจันท์ พระภูมิการที่ทรงแสดงไงว้เนี่ยเราจะเห็นว่าบัญชีหนึ่งก็เนี่ยการแสดงความมีน้ำใจต่อคนอื่นช่วยเหลือเพื่อเผื่อแพ่สงเคราะห์น้เพราะการดูแลกันเห็นคนแก่จะข้ามสะพานก็ช่วยคนแก่ถือของจะหน่อยะเห็นเด็กจะข้ามถนนก็ช่วยส่งเทยให้ข้ามถนนโนดยปลอดภัยเป็นต้นอนี่นี่ที่ยิงมาภูมิใจนั่นะ มันคืออะไรก็ตามถ้าเรากล่าวโดยสรุปแล้วการลดละกิเลสเนี่ยมันก็ล<ม>้วนแล้วจะอยู่ในกรอบของเมฆขมะได้แก่ดังนั้นมันเปิดโอกาสกว้างให้คนทั้งหลายเนี่ยสามารถบําเพ็ญเมฆขมมะบา ร, รมีได้เพราะฉะนั้นทรงจําแนกประเภทของบุคคลไว้เป็นสีประเภททรงใช้ขมาออกคือคนบางคนกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกหมายความว่ากายก็ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณทัง้งหลาย อย่างเนี้ยอย่างแหลงเรงรมทั้งหลายในบ้านเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจมากกว่านะเรามายัางไม่กว่าตอนนั้นนะมาอายุประมาณสนะิบเก้าอายุประมาณสิบเก้าก็ยังหนุ่มวัยรุ่นอยู่นะแต่เราก็พักอยู่ที่ใกล้บาร์นะเดินผ่านเข้าผ่านออกไม่เคยมองเลยไม่เคยมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปไ ม, ม่ความรู้สึกอยากดูอยากฟังอะไร ก็ยังยังยังนึกถึงถึงว่าเราก็หลดรอดปลอดภัยมาได้นะเพราะว่าเราเราไม่เห็นมันมันได้สาระอะไรแล้วรู้สึกอายนะบางทีเราเห็นเขาอายเขาแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่เราก็อยู่ข้างนอกนะเดินนอกนอะกแล้ว่างอายแผนนะีอันนี้ก็คืออะไรก็คือมันรู้สึกสลดอนะ่ะมันรู้สึกสลดใน เรื่องที่เกี่ยวกับการมเป็นเหตุกรรมเป็นข้ามูลกรรมเป็นตัวสร้างไงมันคกิขึ้นเนี่ยรบกันก้าเป็นถ้าตายคนตายกันยะยะยะเยอะๆไปหมดเลยเพื่อแ ย, ย่งครอบครองผู้หญิงคนเดียวกันผู้ชายคนเดียวกันมันโลกมันน่าสลดถดถูมาเพราะแนวตรงนี้เราเห็นว่าจริงๆนิหาสาระก็คือแนวพรหมจันท์แนวพรหมจันทร์ก็คือพยายามสัมบูรณ์ระวังพยายามละความชั่ว แล้วจงจิตมันกิเลสมันจางมันคลายมันมันเทาลงไปมากน้อยก็ไปรู้แหละอย่างน้อยก็บางขณะปราศจากราคะบางขณะปราศจากโทสะบางขณะปราศจากโมหะบางขณะมันก็บุญแล้วนะเป็นอารมณ์กรรมาฐานเนี่ยตัวนี้ยเป็นจิตาาาตาโนกัณฑ์สติวตาเลยแล้วก็จนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย แล้วก็สำรวมระวังหนักิง่งขึ้จนจิตใจไม่เหนียวนึกตรุดนึกเดือหน้าความคร่คือคุ้งถึงอกุศลวิตกแต่ว่าจิตมันต้องคิดอนะนะจิตก็ต้องคิดอารมณ์ในเมื่อห้ามไม่ให้ตื่ดตึกทำไงคือจิตก็อกุศลก็มาคิดที่เราเรียกว่าเนคขมาสังกปะเหรอฮนะเนคขมาสังกปะได้จริงไมเป็นความคิดอ่ะ ในสมัยพระนาายก็คือจิตมันคิดที่จะออกจากกามเพราะว่าเห็นโทษของกามสลดใจในเรื่องกามทั้งหลายเนี่ยโลกมันวุ้นวายทั้งหลายเราลองดูเปอร์เซนต์เรื่องกาล ม, มันจะสูงที่สุดในในในข่าวหนังสอพิมพ์ลองเช็คข่าวดูก็ได้โดยเฉพาวข้าวหน้าหน้าหนึ่งเนี้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลนะหนังสือพิ่พนี่ก็ชอบก่อนอะเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นตัวไม้เลยเนะ เป็นตัวไม้เลยนันหมายความมัน ย, ยังไงหมายความว่าพิจัยมันผักฝ่ายอยู่ในเรื่องเหลนั้นแต่นั่งถ้าเราออกบวชได้เรากายเราออกบวชแต่ให้แล้ว่างทีใจไม่ออกใจไม่ออกมันก็ยุ่งนะผลสุดแ ล, ล้วผลทุธาอยู่ไม่ได้แล้วคนมาคนบวชไม่กี่วันก็บอกประร้อนนี่เคยเคยเจอเนรองนะแกบอกมึงก็ตกนรกบอกเอี๊แปลกเนี่ย ทำไม่บวชไม่กี่วันมันก็ตกนรกแล้วแกก็ขอลาศึกก็ให้ศึกไปนะพ่อก็เป็นคณะบดีทำไปอย่างนี้นแปลกเนรนคนนี้ยังไม่พบกันจนทุกวันนี้อีกอย่าหนึ่นงก็คือใจออกกายไม่ออกอันนี้ญาติโยมทั่วไปเนี่ยสามารถทําได้คือเว้นบาปเว้นบาปบางเรื่องนะเช่นตรงนี้เช่นเช่นสร้างสังคมที่อบอุ่นก็คืออย่านอกใจกนันในกรณีพรหมจรรย์ทั้งคู่ล แล้วก็วันสําคัญสําคัญวันพระวันเจ้าอะไรต่อะไรเนี่ยหยุดเรื่องเพศสัมพันธ์ได่บ้างก็เป็นพรหมจารีข้อหนึ่งนะแล้วก็บริจาคทานช่วยเหลือเกื้อกูล ค, คนอื่นก็เป็นพรหมจาร์นีแหละเห็นไหมที่จริงกิเลสมันลดลงนะมันก็อยู่ในกรอบเนื้อหาของเดชธรรมด้กันทั้งนั้นแต่เนื้อหาสาระจริงๆคือหลักการที่เป็นอุดมคติของศาสนาจริงๆนั้น ก็มุ่งไปสู่ผลสูงสุดซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นแรงสรงของบารมี น, นั่นคือออกจากการได้ทั้งกายทั้งใจแล้วออกได้จริงๆเนี่ยคือต้องเป็นพระอราหันต์นะครับเราจะเห็นว่ามันจริงๆรมันเริ่มจากพระอนาคามีแต่ออกได้จริงๆส่วนพระโสดาบันพระสกริรขานั้นพระสกีตรขานั้นยังไม่พบมีครอบครัวแต่พระโสดาบันมีครอบครัวก็แสดงว่ายังไม่ออกจากการจริง คนที่ออกจากการมจริงๆแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยคือตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปเพราะเป็นผู้ละกรรมาราคะได้นี่ก็เป็นใม่คำว่าบารมีซึ่งรหมายความว่าเราก็ยึดถือเป็นแนวในการดำเดนินชีวิตของเราได้ระดับต้องฝังทั้หลาถ้าลงมาโพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเมต ง, งามไปบุญในธรรมยังมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี